นาระทะพุทธวงศูตรว่าด้วยพระประวัติของพระนาระทะพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่านาระทะตามพระโคดผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีบุคคลเปรียบพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็น พระเชษทโอรสที่ทรงโปรดปราณของพระเจ้าจักรพรรดิทรงสวมใส่อาพรแก้วมุกดาเสด็จเข้าไปยังพระราชอุทยานในพระราชอุทยานนั้นมีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มคล้มสวยงามพระองค์เสด็จถึงท่ามกลางพระราชอุทยานนั้นแล้วประทับนั่งภายใต้ต้นอ้อยช้างใหญ่ณที่นั้น เกิดพระยานอันประเสริฐหาที่สุดไม่ได้เปรียบด้วยเพชทรท่งพิจารณาสังขารและพิจารณาสังขารว่าเป็นสภาวะที่เปิดเผยและที่ปกปิดด้วยพระยานนั้นทรงลอยกิเลสทั้งปวงได้โดยไม่เหลือในที่นั้นเองทรงบรรลุพระโพธิญาณทั้งสิน้นและพระพุทธญาณส4ครั้นทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงประกาศพระธรรมจักรเทวดาและมนุษย์ประมาณหนึ่งแสนโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งในการนั้นพระมหามนุนีทรงกำราบพญานาคผู้มีลำตัวเท่าเรือกลนขนาดใหญ่ได้ทรงแสดงยะมกปาฏิหาริย์ให้มนุษย์สยโลกพร้อมทั้งเทวโลกได้เห็นพร้อมกันในการที่ทรงประกาศพระธรรมแก่เทวดาและมนุษย์ ครั้งนั้นเทวดาและมนุษย์ประมาณ9 0้า0โกดข้ามความสงสัยทั้งปวงได้ในการเมื่อพระมหาวีระตรัสสอนพระราชโอรสของพระองค์เทวดาและมนุษย์ประมาณ 80,000 ืนโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สามพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่านารทะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ได้มีการประชุมสาวกสามครั้งสาวกประมาณหนึ่งแสนโกรมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งในการที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธคุณพร้อมด้วยเหตุสาวกผู้ปราศจากมนทินประมาณ 90,000 โกรมาประชุมกันในการที่เวโรจนะนาคราชถวายทานแด่พระาศาสดา สาวกของพระชินเจ้าประมาณแปดสิบล้านมาประชุมกันสมัยนั้นเราเป็นชดินผู้มีตบะแ ก, ะก่กราสำเร็จอภิญญา 5, ห้าเหาะไปในอากาศได้แม้ครั้งนั้นเราก็ได้อังคาดพระศาสดาหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้พร้อมทั้งพระสงฆ์และบริวารชนให้อิ่มนำด้วยข้าวและน้ำแล้วได้บูชาด้วยไม้จันหอม ครั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะพระองค์นั้นทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกก็ทรงพยากรณ์ราว่าในกับอันประมาณไม่ได้นับจากกับนี้ไปเขาจับเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพั์ที่หน้ารื่นรมพระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกกระกิริยา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 พระองค์ผู้มีพระยศยิ่งใหญ่จกทาประทักษิณโพธิมันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่คนต้นอัจสดพฤกพระมารดาผู้ให้กำเนิดพระจินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่ามายาบิดาจะมีพระนามว่าสุโธทนะพระจินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโคดม พระโกลิตะเถระและพระอุปติสะเถระผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอานน์จักเป็นพระอุปถัมภ์บำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเคมาเถรีและพระอุบวรวณาเถรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดี จักเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัศศัทธธพท์จิตตะขาบดีอุบาสกและหัตถกะขาบดีอุบาสกชาวเมืองอาราวีจักเป็นอัครอุปาถานันทมานดาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาจักเป็นอัคระ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 ตัดทั้งหลายในมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็ปริงเสียงโหร้องปลกมือร่าเริงประนมมือนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจากพลาด ศ, ศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหนอผู้ทางกูนนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพลาดท่าเฉพาะหน้าแล้ว ก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงข้ามแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพราชพระชินเจ้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหน่พุทธังกูลนี้ในอนาคตการเราได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็ทำใจให้ยินดีอย่างยิ่ง ได้อธิษฐานวัดเพื่อบำเพ็ญบารมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นไปกรุงชื่อทันยวดีกษัตริย์พระนามว่าสุเทพะเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าอนโนมาเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคารวาสอยู่เก้าพันปี มีปร า, าสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือชิตตปร า, าสาทวิชิตตะปร า, าสาทและอภิรามะปร า, าสาทมีนางสนมกำนันสี่หมนสาพันนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าวิชิตะเสนาพระราชโอรสพระนามว่านันทุตระพระองค์ ผู้เป็นผู้สูงสุดแห่งบุรุษทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงเสด็จออกผนวดด้วยการเดินเทา้าบำเพ็ญเพียรอยู่เจ็ดวันจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่านาระทะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรณนะพระอุทยานทานานชะอันประเสริฐ พระพัทธสารเทระและพระชิตะมิตรเทระเป็นพระอัครสาวกพระเทระนามว่าวาสิทะเป็นพระอุปถากของพระพุตรเจ้าพระนามว่านาร ะ, ะผู้สแสวงหาขุนอันยิ่งใหญ่พระอุตราเทรีและพระภักขุณีเถรีเป็นพระอัครสาวิกา ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอ้อยช้างใหญ่อุครินทะอุบาสกและวาสภะอุบาสกเป็นอัคระอุปถาอินทวรีอุบาสิกาและคันทีอุบาสิกาเป็นอัคระอุปถายิกาพระมหามมนีทรงมีพระวรกายสูง8ปดสิบต่อ ทรงมดงามดังทองคําที่ล้ำค่าทำเหมือนจักรวาลให้สว่างสวยัยพระองค์ทรงมีพระวรากายมีรสมีวาหนึ่งพระรสมีนั้นแผ่ซ่านไปทั่วทิศ ต, ติดกันไปตลอดยศหนึ่งทั้งกลางวันและกลางคืนทุกเมื่อที่ต้องการขณะนั้นในระยะยศดหนึ่งโดยรอบใครๆไม่ต้องจุดคบเพลิงหรือประทีปเพราะ พระพุทธรัศมีแผ่ไปทั่วสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณ9 0 0 0 0มปีพระองค์ก็ทรงดำรงพระชนอายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากศาสนาของพระองค์งดงามด้วยพระอระหันต์ทั้งหลายเหมือนท้องฟ้างามวิจิตรด้วยหมู่ดาว พระผู้องอาจกว่านารชนพระองค์นั้นทรงสร้างสะพานคือทําไว้อย่างมั่นคงสําหรับให้คนผู้ปฏิบัติที่เหลือเดินข้ามกระแสัส่งสารวัตรแล้วสเสด็จดับขันธปรินิพานแม้พระพุทธเจ้าหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้พระองค์นั้นและพระขี่นาศพผู้มีเดชหาอะไรเทียบไม่ได้เหล่านั้น ทุกอย่างล้วนอันตรธานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอพระนาระทะชินเจ้าผู้ประเรสริฐเสด็จดับขันทปริลิภานที่สุทธะสะนะนครพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ที่สุทธะสะนะนครนั้นสูงสี่ยอดฉนิแลนาระทะพุทธวงศ์จ ปทุมุตระพุทธวงศ์สูตรว่าด้วยพระประวัติของพระปทุมุตระพุทธเจ้าสมัยต่อจากพุทธเจ้าพระนามว่านารทะได้มีพระชิ น, นะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้สูงสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ไม่หวั่นไหวเปรียบด้วยสมุทรสาครก็กลับที่พระพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นนั้นเป็นมนทกับ กับที่มีพระพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติสองพระองค์มูชนผู้มีกุศลมากได้เกิดขึ้นในกับนั้นในคราวที่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระทรงสแสดงธรรมครั้งแรกเทวดาและมนุษย์ประมาณหนึ่งแสนโกดได้บรรลุธรรมจากนั้นเมื่อพระองค์ทำฝนคือทำให้ตกช่วยเราสัตว์ให้อิ่มน้าด้วยฝนคืออมะตะ เท ว, วดาและมนุษย์ประมาณ3 7 0 0 0โกฎได้บรรลุธรรมครั้งที่สองในการที่พระมหาวีระเจ้าได้เสด็จเข้าไปหาพระเจ้าอนันทะผู้เป็นพระราชบิดาครั้นเข้าไปสำนักของพระราชบิดาแล้วได้ทรงลั่นอมตะเพรีเมื่อพระพุทธเจ้าทรงลั่นอมตะเพรีบรรดานสายฝนคือทำให้ตกลง เทวดาและมนุษย์ประมาณห้าล้านโกฎได้บรรลุธรรมครั้งที่สพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดในเทศนาผู้ทรงประทานโอวาทผู้ทำเหล่าสัตว์ให้รู้แจ้งทรงช่วยสัตว์ทั้งปวงให้ข้ามทรงช่วยหมูชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมากพระาศาสดาพระนามว่าปทุมุตระมีการประชุมสาวกสามครั้ง มีสาวกประมาณหนึ่งแสนโกรมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งในการที่พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนประทับอยู่ที่เวพารบันพศสาวกประมาณ 90,000 ืโกรธมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองเมื่อพระองค์เสด็จจากคามานิคมและแว่นแควนหลีกจาริกไป สาวกประมาณ8 0ด0มืนโกฎมาประชุมกันเป็นครั้งที่สามสมัยนั้นเราเป็นชดินมีชื่อว่ารัตทิกะได้ถวายผ้าพร้อมพัตตาหารแด่พระสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ประทับนั่งท่ามกลางสงฆ์ทรงพยากรเราว่าจากนี้ไปอีกหนึ่งแสนกับ าดินนี้จักเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกลุงกบิลพัทที่น่ารื่นรมทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกรกิริยาจากประทับนั่งที่โคนต้นอะชปาลานิโครธทรงรับข้าวปลายาตในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นจักเสวยข้าวปลายาต ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระยอยิ่งใหญ่จักทําประทักษิณโพที่มันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอัศรพฤกพระมารดาผู้ให้กำเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้จักมีพระนามว่ามายา พระวิดาจะมีพระนามว่าสุโธธนะพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโคดมพระโกลิตเถระและพระอุปติสะเถระผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจกเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอานนท์จกเป็นพระอุปถากบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้ พระเขมาเทรีและพระอุบลวรรณาเทรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัศทะพฤกจิตตะขะหาบดีอุบาสกและหาถกะขะหาบดีอุบาสก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 ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหน่ผูดทางกูลตัดทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปร่งเสียงโหร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนามาส ก, การว่าถ้าเราทั้งหลายจากพลาดศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลาย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 เราได้ฟังพระดํารัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็อธิษฐานวัดให้ยิ่งขึ้นไปเราได้บำเพ็ญเพียรอย่างมั่นคงเพื่อบาเพ็ญบารมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นไปครั้งนั้นเดียรถีทั้งปวงถูกขจัดไปจึงพากันโทมนัสเสียใจใครๆก็ไม่บํารุงเดียรถีเหล่านั้นขับไล่พวกเขาไปจากแว่นแคว้น พวกเดียร์ธีประชุมกันในที่นั้นทั้งหมดเข้าไปสํานักของพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระมหาวีรเจ้าผู้มีพระจักษุขอพระองค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกข้าพระองค์เถิดพระองค์ผู้ทรงอนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณาทรงสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สรพสัต ทรงธรรมเดรัจฉีที่มาเฝ้าทั้งหมดให้ดำรงอยู่ในเบญจศีลเมื่อเป็นเช่นนี้พุทธศาสนานั้นหมดความอากูลว่างจากพวกเดรัจีและงดงามด้วยพระอระหันต์ทั้งหลายผู้ได้วสีผู้คงที่กรุงชื่อหงสวัสดีกษัตริย์พระนามว่าอานน์เป็นพระชนก พระเท ว, วาาเพนนพีพระนามว่าสุชาดาเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนามว่าปธุมุตระพระองค์ทรงครองคารวาสอยู่ 9,000 ปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือนารีปราสาทพาหะปราสาทและยะสวดีปราสาทมีนางสนมกำนัน4 3่0 0นาพันนางล้วนประดับประดาสวยงาม พระแม่เฮีพระนามว่าสุลัทัตาพระราชโอรสพระนามว่าอุตระพระองค์เป็นผู้สูงสุดแห่งบุรุษทรงเห็นธรรมนิมิตสี่ประการจึงเสด็จออกจากปราสาทไปผนวดทรงบำเพ็ญเพียรอยู่เจ็ดวันจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่าปทุมตระทรงเป็นผู้นำวิเศษ ผู้อันพรมทุนอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรณพระอุทยานมิถิลาอันประเสริฐพระเทวีลเทละและพระสุชาตะเทระเป็นพระอัครสาวกพระเทระนามว่าสุมาณะเป็นพระอุปถากของพระศาสดาพระนามว่าปทุมุตตระพระอมิตาเทรีและพระอสมาเทรีเป็นพระอัครสาวิกา ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นสนอมิตต์อุบาสกและติสสะอุบาสกเป็นอักระอุปถากหัตถาอุบาสิกาและสุกิตาอุบาสิกาเป็นอักระอุปถายิกาพระมหามุนีทรงมีพระวรากายสูงห8ศสอกทรงงดงามดังทองคำที่ล้าค่า ทรงมีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการกำแพงบานประตูฝาเรือนต้นไม้และภูผาสูงก็กำบังพระสมีของพระองค์นั้นในที่12บองโยเดิรอบไม่ได้ขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณหนึ่งแสนปีพระองค์ก็ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก พระองค์พร้อมกับสาวกนั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากทรงตัดความสงสัยของชนทั้งปวงแล้วทรงรุ่งเรืองดับไปเหมือนกองไฟไม่มีเชื้อดับไปพระชินนะพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเสด็จดับขันทปรินิพนธ์ที่นันทารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ที่นันทารามนั้นสูงสิบองโยชน้แล ปทุมุตระพุทธวงศ์จบสุเมธะพุทธวงศ์สูตรว่าด้วยพระประวัติของพระสุเมธะพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระ ได้มีพระชินเจ้าพระนามว่าสุเมทะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกหาผู้กระทกกระทั่งได้ยากทรงมีพระเดชรุ่งเรืองทรงประเสริฐสุดในบรรดาสัตว์โลกทั้งปวงทรงมีพระเนตรสุขใสมีพระพักชื่นบานมีพระวรกายสูงสงา่าทรงสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สัพพสัต ทรงเครื่องสัตว์เป็นจำนวนมากให้หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการพระพุทธเจ้าทรงบรรลุพระโพธิญาณอันอุดมทรงประกาศพระธรรมจักที่สุทัศนนครแม้ในการที่พระองค์ทร ง, สงแสดงธรรมได้มีการบรรลุธรรมสมครั้งเทวดาและมนุษย์ประมาณหนึ่งแโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งอีกเครื่องหนึ่ง พระชินเจ้าท่งธรรมานยักษ์ชื่อกุมพันเทวดาและมนุษย์ประมาณ 90,000 ืโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สองอีกเรื่องหนึ่งพระองค์ผู้มีพระยตนับไม่ได้ส่งประกาศอริยสัตส์่เทวดาและมนุษย์ประมาณแ 0,000 ืนโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สาม พระจินเจ้าพระนามว่าสุเมทะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้มีการประชุมแห่งพระขีนาศพผู้ปราศจากมนทินมีจิตสงบระงับผู้คงที่สามครั้งในการที่พระจินเจ้าเสด็จเข้าไปยังสุทัศนนครพระขีนาศพจำนวนหนึ่งร้อยโกฎมาประชุมกัน อีกเครื่องหนึ่งเมื่อภิกษุทั้งหลายกรานกฐินนเทวกูธาบรรพศพระขีณาสพประมาณ90โกรธมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองอีกเครื่องหนึ่งในการที่พระทศพลเสด็จาริกไปพระขีณาสพประมาณ80โกรธมาประชุมกันเป็นครั้งที่สาม สมัยนั้นเราเป็นมาน์มีชื่อว่าอุตระมีทรัพย์ที่เก็บสะสมไว้ในเรือนถึง80โกรธเราได้ถวายทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นแด่พระชินเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพร้อมทั้งพระสงฆ์ถึงพระองค์เป็นสรณะแล้วพอใจการบรรพชาครั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อทรงธรรมอนุโมทนา ก็ทรงพยากรเราว่าในสามหมื่นกับมานพนี้จกเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัท์ที่น่ารื่นรมพระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกรกิริยาจากประทรรนั่งขี้ต้นอาชา ป, ปาละนินโครด ทรงรับเข้าปายาตในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นจักเสวยเข้าปายาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ทูกมีพระย์ยิ่งใหญ่จักทาประทักษินโพที่มันอันยอดเยี่ยมแล้ว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 จักเป็นพระอครสาวกพระเทระนามว่าอาน o ์จักเป็นพระอุปถาบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเทรีและพระอุบลวันนาเทรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอครสาวิกา ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัศทะพฤกจิตตะขหาบาดีอุบาสกและหัตถกะขหาบาดีอุบาสกชาวเมืองอารวีจกเป็นอัครอุปาถานันทมานดาอุบาสิกาและอุตตราอุบาสิกาจากเป็นอัครอุปถายิกาพระโคดม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 ต่างก็เปร่งเสียงโหร้องปรบมือร่าเริงประนมมือมาส ก, การว่าถ้าเราทั้งหลายจกพราดศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหนอก้ทางู น, นี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพลาดท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงข้ามแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถ้าพลาดพระชินเจ้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้านอพุทธังกูนนี้ในอนาคตตการเราได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็ทำจิตให้เลื่อมใสยอย่างยิ่งได้อธิษฐานวัดเพื่อการบำเพ็ญบารมีสิประการให้ยิ่งขึ้นไปเราได้เล่าเรียนพระสูตรและพระวินัยอันเป็นนาวังคาสัตรูศาสตร์ทั้งปวงแล้ว ช่วยประกาศศาสนาของพระชินเจ้าให้รุ่งเรืองเราเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในคำสั่งสอนนั้นทั้งในเวลานั่งยืนและเดินถึงความสำเร็จอภินยาแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกกรุงชื่อว่าสุาสสทัศนะกษัตริย์พระนามว่าสุทตะเป็นพระชนกะ พระเทวีพระนามว่าสุทัตตาเป็นพระชนนีของพระชินเจ้าพระนามว่าสุเมทะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองค ล, งลาวาสอยู่ 9,000 ปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือสุจันทประสาทกันจนะปราสาทและสดิวัฒประสาทมีนางสนมกำนัน 48,000 นางล้วนประดับประดาสวยงามพระมะเหสีพระนามว่าสุมาราราชโอรสพระนามว่าปุณณภะราชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงทรงราชพานะคือช้างออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่แปดเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณ พระมหาวีระพระนามว่าสุเมทะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้อันพรมทุลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรที่พระอุทยานสุทัศนะอันประเสริฐพระสารณะเทระและพระสภกามเทระเป็นพระอัครสาวกพระเทระนามว่าสาครเป็นพระอุปถากของพระชินเจ้าพระนามว่าสุเมทะ ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระรามาเทรีและพระสุรามาเทรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นสะเดาอุรุเวราอุบาสกและยะสวาอุบาสกเป็นอัครอุปถา ยโสธราอุบาสิกาและสิดิมาอุบาสิกาเป็นอัครอุปธายิกาพระมหาหมนีทรงมีพระวรากายสูง88สอบศอกทรงเปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทิศเหมือนดวงจันทร์ในหมู่ดาวพระรัตนะของพระองค์แผ่ไปตลอดโยอหนึ่งโดยรอบเหมือนแก้วมณีของพระเจ้าจากักรพรรดิแผ่ไปยอหนึ่ง ขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณ9 0,000 ปีพระองค์ก็ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากาศาสนาของพระองค์คับข้างไปด้วยพระอาหารหันต์ทั้งหลายล้วนแต่ผู้ได้วิชาสามอภิญญาหกและพระละผู้คงที่แม้ท่านทั้งหมดนั้นล้วนมียศนับไม่ถ้วนหลุดพ้นแล้วไม่มีอุปธิ มีพระยศอันยิ่งใหญ่แสดงแสงสว่างแห่งยานแล้วนิพพานพระชินะพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่าสุเมทะเสด็จดับขันธปรินิพานที่เมธารามพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่ไปอย่างกว้างขวางในานานาอรรยะประเทศชนี้แลสุเมทะพุทธวงศจบ สุชาตะพุทธวงศูตรว่าด้วยพระประวัติของพระสุชาตะพุทธเจ้าในมันท ก, กับนั้นแหลได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะทรงเป็นผู้นำมีพระหนุดังคางราชสีมีลำพระสงางามดุดลำคอโคอสุภะทรงมีพระคุณหาประมาณไม่ได้หาผู้กระทบกระทั่งได้ยาก พระองค์ไม่มีมลทินบริสุทธ์ดุดดวงจันทร์มีพระวรกายงดงามดังดวงอาทิตย์มีพระรัศีรุ่งเรืองงดงามทุกเมื่ออย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุพระโพธิญาณอันประเสริฐอย่างสิ้นเชิงแล้วทรงประกาศพระธรรมจักที่สุมคละนครเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาต ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงแสดงพระธรรมอันประเสรศิฐในการแสดงธรรมครั้งที่หนึ่งเทวดาและมนุษย์จำนวน80สโกรธได้บรรลุธรรมในคราวที่พระสุชาตะพรธเจ้าผู้มีพระยศหาประมาณไม่ได้เสด็จจำพรรษาในเทวโลกเทวดาและมนุษย์จำนวนสล้านเจแสนโกร ได้บรรลุธรรมครั้งที่สองในคราวที่พระสุชาติพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนสเสด็จเข้าไปยังสำนักของพุทธบิดาเทวดาและมนุษย์จํานวนหล้านโกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่สพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาติผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีการประชุมแห่งพระขี่นาศ ผู้ปราศจากมนทินมีจิตสงบระงับผู้คงที่สามครั้งพระขีนาศล้วนบรรลุอภิญยาและพระธรธมผู้ที่ยังไม่บรรลุในพบน้อยพบใหญ่ประมาณหกล้านรูปเหล่านั้นมาประชุมกันครั้งที่หนึ่งในการประชุมครั้งต่อมา ในการเมื่อพระชินเจ้าสเสด็จลงจากดาวดึงสเทเวโลมีพระขีนาศบประมาณห้าล้านรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองพระอัครสาวก พ, พร้อมด้วยพระขีนาศบประมาณสี่แสนรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้องอาจกว่านราชนสมัยนั้น เราเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิมีพระานุภาพมากเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่เหาะไปในอากาศได้เรานั้นเห็นความอัศจรรย์น่าประหลาดใจให้เกิดขนพองสยองกล้าวในโลกจึงเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเรามอบถวายราชสมบัติเป็นอันมากในทวีปทั้งสี่ และรัตนเจ็ดประการอันอุดมในพระพุทธเจ้าแล้วจึงบวชในสำนักของพระองค์พวกคนรักษาอารามได้รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในชนบทน้อมปัจใจที่นอนที่นั่งเข้าไปถวายภิกษุสงฆ์ครั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นใหญ่ในหมื่นจักรวาลก็ทรงพยากรเราว่า ในที่สุดสามเหมือนกับผู้นี้จกเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกลุงกบินรพัฒ์ที่หน้ารื่นรมพระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกระกิริยาจากประทับนั่งที่โคนต้นอชปาลนิโครธทรงรับข้าวบายาในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรันชรา พระชินเจ้าพระองค์นั้นจักเสวยข้าวปายาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรันชลาแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระยดยิ่งใหญ่จักทาประทักษิณโพที่มันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอัสศทะพฤก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 ชาวโลกเรียกว่าต้นอัศทะพฤกจิตตะขหาบดีอุบาสกและหัตถกะขหบดีอุบาสกชาวเมืองอาราวีจกเป็นอัคระอุปถานันทมานดาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาจากเป็นอัคระอุปถายิกาพระโคโดมผู้มีประยตนั้นจกมีพระชนมาายุประมาณหนึ่งรปี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 ถ้าเราทั้งหลายจักพลาดศาสนาของพระโลกกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จักพร้อมหน้าหน่พูดทางกูลนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ําพลาดท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงข้ามแม่น้าใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถ้าพระอาจพระชินเจ้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าห น, น่พุทธังกูนนี้ในอนาคตการเราได้ฟังพระดํารัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็ทําความยินดีให้เกิดขึ้นอย่างยิ่งได้อธิษฐานวัดเพื่อบําเพ็ญบา ร, รมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นไปเราได้เล่าเรียนพระสูตรและพระวินัยอันเป็นหนวังข้าศัตรูทั้งปวงแล้ว ช่วยประกาศศาสนาของพระชินเจ้าให้รุ่งเรืองเราเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในคำสั่งสอนนั้นเจริญพรมวิหารภาวนาถึงความสำเร็จอภิญญาแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกกรุงชื่อว่าสุมังคละกะกษัตริย์พระนามว่าอุคตะเป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าปภาวดีเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคราวาสอยู่ 9,000 พปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือสิริปราสาทอุ ป, ปสิริปราสาทและจันทปราสาท มีนางสนมกำนันสองหมื่นสามพันนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าสิเดนันธาพระราชโอรสพระนามว่าอุปเสนพระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงทรงราชพานะคือมา้าออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่เก้าเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณ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 พระเทระนามว่านารทะเป็นอุปถากของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระนาคาเทรีและพระนาคาสมานาเทรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรูของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นพายใหญ่ และต้นไม้นั้นลำต้นแข็งเป็นไผ่ตันมีใบแน่นหนาลำต้นตรงใหญ่หน้าดูหน้ารื่นรมใจต้นหนึ่งเจริญ ง, งอกงามแล้วแตกกิ่งก้านสาขาออกไปต้นไม้นั้นย่อมงามเหมือนกำรรหางนกยูงที่ผูกไว้ดีแล้วไม้ไผ่นั้นไม่มีน้ำมีช่องไม่ใหญ่มีกิ่งชิดไม่ห่างมีเงาทึบหน้ารื่นรมใจ สุทัตตาอุบาสกและจิตตอุบาสกเป็นอัครอุปถาสุพัทธาอุบาสิกาและปัทุมาอุบาสิกาเป็นอัครอุปถายิกาพระชินเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระบรารกายสูง50สิบศประกอบด้วยพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการและทรงประกอบด้วยพระคุณทั้งปวง ทรงมีพระราศมีไม่มีอะไรเสมอเหมือนสั้นออกไปโดยรอบไม่มีประมาณไม่มีอะไรเทียบเคียงหาอุปมาไม่ได้ขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณก้า0มืนปีพระองค์ก็ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจานวนมากครั้งนั้นาศาสนางดงามไปด้วยพระอรหันต์ทั้งหลาย เหมือนคลื่นในสาครและเหมือนดวงดาวในท้องฟ้าศาสนาของพระองค์คับข้างไปด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายล้วนแต่ผู้ได้วิชาสามอภินยาหกและพะละผู้คงที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้และพระคุณเหล่านั้นก็หาอะไรเทียบเคียงไม่ได้ทุกอย่างล้วนอันตรทานไปหมดแล้ว สังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอพระชินะพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่าสุชาต ะ, สะเสด็จดับขันทปรินิพันธ์ที่เสลารามพระเจดีย์ของพระศาสดาที่เสลารามนั้นสูงถึงสามขาวุฒิชะนี้แลสุชาตะพุทธวงศ สาธุชนทั้งหลายเสียงอ่านพระธรรมจากพระไตรปิดกได้จบลงแล้วสารธรรมใดที่เป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายขอสารธรรมนั้นจงเป็นกุศลเพิ่มภูบณญยญาราศีประดับทีวีท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขทุกธิพาราตรีการด้วยเทิด